สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะลงรายละเอียดนะครับการทดลองประการแรกนะครับก็คือการทดลองฝ่ายด้านล่างกายครับการทดลองทางด้านล่างกายหรือหรือ the l u s t of flesh นะครับการอ่อนแอของเนื้อหนังนะครับ น้องครับถ้าเราอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นะครับหรือในพระธรรมลูกาบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่แปลกมากเลยครับในพระธรรมมัทธิวและลูกานั้นก็อยู่ในบทเดียวกันข้อเดียวกันครับแต่ในพระธรรมมาระโกก็อยู่ในมาระโกบทที่หนึ่งข้อสิบสองถึงสิบสามครับเราจะเห็นนะครับว่าพระวิญญาณของพระเยของของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนําพระเยซูเข้าไปในถิ่นทรกันดารของยูดีครับ หลังจากที่เปียชูรับอัตมาแล้วนะครับสถานที่นี้เป็นสถานที่แห้งแร้งนะครับอยู่ใกล้กับเมืองเยริโคทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลตรายนะครับและทางตะวันตกของเมืองเยริโคพี่น้องครับมาร์โกนะครับกล่าวเลยนะครับว่าการทดลองทางด้านร่างกายนะครับของพรปเยซูนั้นก็คือเกิดจากการที่เปเยซูนั้นอดอาหารนะครับสี่สิบวันมัตทิวและลูการนั้นใช้คําว่านํานะครับพี่น้องครับ การนำนะครับได้เห็นถึงว่าเป็นน้ำมัทไทยของพระเจ้านะครับและขณะที่มาราโกนั้นมีนีลาการเขียนที่เร้าอกเล้าใจมากครับเพราะอะไรครับมาราโกทําให้เราเห็นถึงอารมณ์ต่างๆของพระเยซูว่าพระเยซูทรงเอ็นดูทรงสงสารทรงโกรธทรงไม่พอพัฒไทนะครับเป็นทุกข์ทรงโศกเศร้านะครับมาราโกนี่เข้าถึงความรู้สึกรัวบรัดได้ตรงประเด็นมากเลยทีเดียวมาราโก ได้เคยเล่าถึงเรื่องของการสิ้นพระชนของพระเยซูและการเป็นขณีย์ความตายนะครับได้ได้ค่อนข้างจะตรงประเด็นมากแต่นะครับแต่ก็ไม่มีรายละเอียดมากเท่ากับมัทธิวเราเห็นว่าทั้งสามเล่มนะครับของพระกิตติคุณนี้ก็มีรายละเอียดนะครับที่อาจจะในคนละประเด็นนะครับที่ไม่เหมือนกัน หรือมีใส่ใจนะครับในประเด็นจุดละเอียดหรือรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะครับและก็ได้บ่งบอกถึงอ น, นิสัยของผู้ที่บันทึกหรือความตั้งใจของผู้ที่บันทึกก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันพี่น้องครับมัทธีบันทึกว่าระหว่างสี่สิบวันนั้นพระเยซูทรงอดอาหารนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอยากพระกยายอาหารคําถามก็คือว่าเหตุใดพระเยซูต้องเข้าไปในถิ่นพุกันดานและอดอาหาร นะครับในพระกัมพีนั้นเมื่อเราอ่านนะครับเราจะพบว่าตลอดพระชนชีพหรือตลอดชีวิตของพระเยซูนั้นพระองค์มักจะใช้เวลาส่วนตัวหรือใช้คำว่าปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังเพื่อทิฏฐานและเข้าเฝ้าพระเจ้ า, จานะครับจะทิฏฐานกันว่าบางทีหลังจากการรับปัดสมาแล้วพระเยซูก็อาจจะทรงปลีกตัวไปลำพังเพื่อคิดถึงเรื่องราวต่างๆและพิจารณา ว่าพระเจ้าทรงมีน้ำมันไทยหรือพระเจ้าดำริอย่างไรต่อไปสำหรับแผนการของพระองค์ที่มีต่อพระชนชีพหรือชีวิตของพระองค์ซาตานก็เลยเข้ามาครับซาตานเลยเข้ามาเมื่อพระเยซูมีความต้องการทางฝ่ายร่างกายนะครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำนะครับทรงนำนั่นหมายความว่าพระเจ้านั้นอนุญาตให้การทดลองนั้นเกิดกับพระเยซูครับ นะครับเรารู้ว่าทําไมพระเยซูจะต้องเอต้องเผชิญากับการทดลองไปเมื่อครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตรงมีผลสืบเนื่องสามประการติดต่อมาติดเกิดขึ้นนะครับติดต่อมาพี่น้องครับการทดลองพระเยซูนะครับมารกล่าวทดลองพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นป้ายกายาหาัน และพระเยซูก็ใช้พระเจชนะของพระเจ้านะครับมาโต้ตอบซาตานพี่น้องครับเราสามารถเรียนรู้ได้เป็นบทเรียนของเราถึงวิธีการที่ดีในการต่อสู้กับมารซาตานนะครับซาตานเกลียดพระเจ้าเกลียดคนของพระองค์เกลียดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระองค์และมันเกลียดพระเจชนะของพระเจ้ามากที่สุดครับเพราะอะไรครับนอกเหนือจากพระเจ้าแล้วมันเกลียดพระเจชนะของพระเจ้ามากที่สุดเพราะอะไรครับ เพราะว่าพระเจานั้นของพระเจ้านั้นเป็นที่พึ่งที่พาของเรานะครับที่พึ่งพาของเราเพราะฉะนั้นของพระเจ้านั้นสามารถที่จะทําให้กับคนกับใจได้เพราะฉะนั้นของพระเจ้านั้นสามารถที่จะทำให้เราอธิษฐานได้เราตั้งป้อมสู้กับมารซาตานได้ครับพี่น้องครับพระคัมภีร์สําคัญมากในการที่จะเผชิญกับการทดลองเหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงใช้ในยามที่เราตกอยู่ในการทดลองนะครับนะครับ <c oughs> เราก็จะเกิดความ อาจจะเกิดความท้อแท้ท้อใจได้นะครับแต่พระเยซูได้ทรงยกเฉลยธรรมัญญติบทที่แปดข้อที่สามครับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยเพราะจะน่าทุกข์คำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าพระภีตอนนี้นะครับเป็นพระภีที่เราทุกคนจะต้องท่องให้ได้นะครับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยเพราะจะน่าทุกข์คำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าให้เราสังเกตนะครับที่นี่มีข้อสังเกตที่ดีก็คือว่า มารซาตานนั้นมันมักจะใช้สิ่งที่ดึงดูดใจเรานะครับนะและเป็นนิสิของเราเลยนะครับเป็นความจําเป็นยิ่งยวดของเราเลยมาทดลองเราซาตานล่อลวงให้พระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆและเวลานี้พระองค์ก็ทรงหิวมากเห็นไหมครับว่ามันขัดแย้งกันในตัวถ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่ควรจะหิวขณะที่หิวแสดงว่าคุณมีความอ่อนแอ คุณไม่น่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆมานั้นชักจูงให้พระเยซูเห็นความจําเป็นของอาหารนะครับเพราะว่านี่ขีนนิดนะครับเป็นปัจใจสีเลยครับมารล่อลวงให้พระเยซูใช้ฤทธิ์อำนาจเพื่อที่จะได้มาซึ่งอาหารพระเยซูทรงทราบดีครับถึงถึงสิ่งที่มารกระทำํำพระองค์ทรงทราบว่าอะไรครับฤทธิ์อํานาจของพระองค์นั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือความต้องการต่างๆใดๆของทางร่างกาย นะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องครับพระเยซูมีฤทธิ์มีอานาจแต่พรงไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับหลายหายคนอาจจะใช้อํานาจของเรานะครับในเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความต้องการนะครับส่วนตนความต้องการทางด้านร่างกายขอให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเรานะครับที่จะไม่พลาดในเรื่องนี้ครับอาเมน